เาา่าตั้งใจฟังถ้าเตั้งใจฟังแล้วเราาเข้าใจในคำพูดคำ ว, าว่าเข้าใจแล้วเนี่ยากรารคัมมือซื่อเหมือนแล้วก็นานเป็นเมื่อเป็นขึ้นมาแล้วเราจะได้รับคนมาดังนั้นพระพุทธเจ้าคุณสอนเรื่องอริยสั์ทุกคนได้ยินว่าอริยสัจซื่อเันทุก สมุทัยนี่โรถมากว่ากันได้เลยและนี่นก็ว่าเรื่องนี้อีกตัวเพราะว่านี่ก็ว่าเรื่องผลงานของการกระทำขอการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมใ น, นบางคนอยากให้เรื่องนั้นเรื่องนี้คมก็คือการแป่ก่อนบุฟเจักความจริงแล้วทุก สมุทัยทําให้ทุกงซืเอากระว่าตัวนึกตัวคิดนี่แหละมันทําให้ฟุ้งซื้อขึ้นนึกเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ี่ยวมดักฟุกคืนว่านีโรต์ขาคนปรจักษผมฟุกจะเป็นคำว่าเอานิโรตมากหนักเป็นข้อปฏิบัติมากเป็นผลเป็นเหต พวกกัเป็นเหตุเป็นผลมันยุ่งน้ำขันเมื่อว่าคนเดียวกันเมื่อนี่ก็จะว่าคนเดียวนี่อีกซึ่งลูกกุญแก่ถ้าเป็นลูกมันเอาสุกเขาแล้วไข่ออกนายถ้าบ้แม่ลูกของมันเอาลูกตัวอื่นไปสวมใส่หูมันบิดบางทีจะโบออกบางทีหักขาลูกเป็นบ้แม่ลูกของมันเนี้ยมันโบ้แม่ฝ่าแม่โตมือนกับแม่นหรือมันบ้แม่ลูกแม่แม่เหมือนกับแม่ ถ้าเป็นโรกของมันจริงๆ้วสอดเข้ายัดเข้าโหมนมยัดเข้าไปลึกหนันกรบโบดีเอาไวต้ตื้นๆพี่บุตรถึงหนันกรบโบดีตื้นไข่โบออกมันซุกเข้าไปพอดีแล้วไข่ออกฟักโรดอันนี้ก็คือกันเรื่องอนิยศาสตรส์ศาสตร์จกไปว่าของจริงทุกคนก็าเข้าใจว่าของจริงจริงบอนด์ไดเขาลกาว่าเดิมเมื่อกี้นพวกสมุทัยนี่โรดมาก อันนี้กสิวะคือกันแตะหางว่าบางคนฟังอาจจะเข้าใจบางคนอาจเคยได้ยินมาแล้วแต่ยังบม่เข้าใจบางคนกเคยได้ยินเสียเลยก็มีได้กสิว่านีะแล้วก็เกิดสงสัยเองเป็นการคําว่าอันนี้สัตว์ทุกคนต้องเป็นมีบพวกพ้คนคำว่าสัจจะแป็นของจริงเน้่คันท่าของบวจริงมากับ โบจริงแล้วมันก็ไปคนแล้วอันนี้บบคลจักคนคำว่าบาคนเนีเ่เกิดมาแล้วต้องตายเมื่อทุกคนนี่แหละสัจจสัจจ ก, กเรื่อวของจริงแฝดสภาพเรื่องภาวะอันนั้นเราจะรู้หรือบ่รู้นั้นเป็นอีกเรื่องหนึง่งดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนแต่เรื่องของจริงอริยสัจเรื่อของจริงอาลิปลว่าค้าศึกญาติเรื่องคนสัจจะแรื่ของจริ ง, งจริ ง, รงคนนี้ เมื่อทำความรู้สึกตัวตื่นตัวทำความรู้สึกใจตื่นใจแล <c oughs> ้มันที่เป็นยังมันที่เป็นไหมเรื่องนี้ได้รับหลองได้ไหมอทำบุญมากๆแล้วที่เป็นบ่บ่เมนเรียนหนังสือมากๆแล้วที่เป็นบ่บ่เมนรักษาศีลมากๆแล้วที่เป็นบ่บ่เมนไปทำความสงบมากๆแล้วที่เป็นบ่บ่เมนสำหรับตัวของผมไม่มี ตัวของผู้อื่นอาชิแนนก็ได้เพราะผมเฮ็ดดิเดิมเนี่ยนะทำบุญผก็ทำมามาพอสมควรรักษาสิบนี่ยผมก็รักษามาพอสมควรมันก็เป็นี่ยแต่นั่งคนสงบอยู่ผมก็เฮ็ดมาพอสมควรมันก็บเป็นเนี่เรื่องนี่อันนี้จะโอ้เรื่องของมันมั น, น, น, นมันเป็นอันนั้นมันเป็นอันนี้เอามาทำความรู้สึกตัวตื้นตัว ทำคมรู้สึกใจตื่นใจว่ายุต่ควรเดียวนี่แหละเพราะมันเป็นของจริงไหมถ้าเป็นอาหารกับเรียกว่าบุมีกลางบุมีกระดูกเมื่อมันได้แทะอันเอาหาเ้าเรื่องนั้นเรื่องนี้มันเป็นทางท้ามันเป็นทางกระดูกถ้าเป็นอาหารถ้าเป็นข้าวจะบอกว่าทอาจจะเป็นแกกเป็นคำหรือเป็นข้าวที่สามที่สองมา เข้าหัเข้าไปอาจจีป็นเข้าถี่หนึ่งได้น้อยอันว่านี่มันเป็นเข้าถี่นึ่งแต่เพเพราะมันเป็นของจริงเนี่ยการทําความรู้สึกตัวตื่นตัวจีได้ยังไงบ้บ่ได้ ย, ยังการทําความรู้สึกใจตื่นใจจีได้ยังบ่ได้ ย, ยังมันจีเป็นยงังไงบ้มันจีเป็นสภาพเดิมของมันมันจีเข้าสู้สภาพเดิมของมัน ถ้าว่าบุเห็ดอย่างนี้แล้วคนอื่นอาจจะเข้าสู่สภาพเดินได้ก็มีเขาจักสําหรับตัวของผมเห็ดอันนี้เลยมันเข้าสู่สภาพเดินของมันถ้าบุเห็ดอันนี้แล้วผมบอ้โหจักเนี่ยตรงกับว้าในเรื่องของผมหุ่จักอยู่แล้วเรื่องของผู้อื่นนายจะมาเว้าเฮงยังเขาบุได้รับรองเรื่องของผู้อื่นเรื่องของเขาลูเขาเห็นเขาเป็นเขามีเขาต้องรับรองได้บุต้องไปให้ผู้อื่นมารับรอง แม้เอาชีวิตของเขานี่แหละเป็นเดิมพันเป็นประกันเอาไว้ระยะเวลาสั้นยาวเขาก็ต้องหู้จักคำนวณได้ผมเคยว่าให้ฟังปฏิบัติอย่างนี้จริงจังนะเอาอย่างนานสามปีอย่างกลางปีเนอะอย่างไวที่สุดนับตั้งแต่มือหนึ่งถึงเก้าสิบมือเดียวสามเดือนะมันจะเป็นยังวงา้าง น, นี่มันจะดูตัวเขาเนี่ย แต่ก้อนเหาโบลูรู้อยู่ว่าหวเหาเคลื่อนไหวไปหั่นมานี่รู้อยู่แต่มันโบลูมันรู้อยู่เปื้อกๆทีนะเมื่อเอาจิงๆแล้วซมันรู้เลื่อนไหวโดยวิจียเดนมันรู้พลิกมือขึ้นหนันกระลูบุตั้งแตพลิกมือที่มันรู้ย่างสิเดะรู้รู้มันไหวไปคนนี้ มันไหวแตนะ่มันมีความรู้แจ้งทราบซึ่งตึงใจคุณนะพ่วมหลวงเฉว่าคอยรู้มันโบมีบ่เตงตีหัากระรูคุณเนะี่อันที่เราอยู่ตรงนี้นะบัด น, นี้มันคิดรู้มันบม่คิดกับรู้ไ่เป็นโบเมรูร้แล้วเขาไปในความรู้อันนั้นโบแมรนะท่านเนะี่ยรู้อยู่พนหนึ่งโบเข้าไปในคมรู้อันนั้น ที่เนี่ยภาวาะอยู่อย่างนี้ทันถ้าเข้าไปในคมรูอันนั้นเรามันก็เลยเข้าไปในคมรูอ น, นั้นแล้วเฮตุอันนี้มันจะเป็นเพนวางสีพระพุทธเจ้าเพนวางแล้วไทยว่ากระบุหัวจักละ่ะเพ่นหาว่าพระพุทธเจ้าเหตุต่างซีว่าท่นเมื่อพระพุทธเจ้ากิงเข้านางสุดสดาแล้วแล้วนี้อิ่มแล้วอ้วอนทีอ้วอนทีดีงามมาแล้วเนี่ยเ อ, อกหันไปอธิษฐานตามเปิเมนาม ถ้าหากฆ่าพระเจ้าจะได้ตัดสัตว์รูเป็นพระพุทธเจ้าฆ้ากิเลสตายขายกิเลสดูดเอาสนะได้จริงๆนั้นวางผ้าเมื่อขันใบนี้เนี่ยลงบนผิวน้ำนี่แล้วให้มันทวนกระแสของน้ําขึ้นไปถึงต้นน้าในทางตรงกันข้ามถ้าหากจีบุได้ตัดสัตรูจีบุได้เป็นพระพุทธเจ้าฆ้ากิเลสบุตายขายกิเลบสบุรดูดเอาสนะทุกบุตรนั้นวางลงไปแล้วให้มันไหลไปตามกระแสของน้ํำ บนเป็นนามแท้ๆนั่นเอแต่ก่อนผมเข้าใจว่าเป็นนามแท้ๆว่าพระโพธิเจ้านี้ได้สร้างสมอบลมมามีบุญวัฒนาบารมีมากแล้วว่สาสันพระปักเข็ุทวนกระแสของนามได้ผนอันนั้นแมนอยู่สภาพผมบุหูแต่ก้อนเมื่อมาเข้าใจอันนี้อออันทวนกระแสของนามนี่หมายถึงทวนกระแสของผมคิด ความคิดนี่มันไหลยอยู่เรือยคืนน้ำนี่มันบกขาดใส่จึงบุเห็นความคิดอ น, นั้นเพามาหูวจักตั้งแต่มันคิดแล้วก็ไปโลดคิดแล้วก็ไปลดเลยบุได้เห็นความคิดแบบนั้นเมื่อมาทำความรู้สึกตัวตื่นตัวเอาชนะตัวได้เป็นไงในตัวนี่ลดมาเดียบเมื่อมารู้สักจากความคิดมันคิด ดจิตัยมันคิดรู้จักผมคิดได้เอาชนะผมคิดนั้นได้เป็นง่ายในขุมคิดขณะเป็นง่ายนี่หมายถึงอะไรคือมันบบมันลากเขาโบาไปคลายคลคือมันไปหมเอาโบาไปมันที่มาจับเขาขเขาลูกปิดออกโลดเนีย่ยพ่อเคยว่าให้ฟังว่าตึงมาจาับตัวเขาเนี่เขาที่ไปจับตึงดึงออกจากเขาเนี่มันโบาจะออกเอายา ก, กับปูนไปสุบเซ็น้ำเนาะ บีบเอาน้ํายากับน้ําปูนเแต่เนื้อของเนี้มันไหลลาดลงไปแล้วติ่งมันย้ํานี่ยมันจะตกฟุกของคนเดียวคนรถมันีะตายได้ติ่งอันนี้ก็คือการอันเดียวกันรกตัวเดียวที่อยากรวายอยู่เนี่ยว่าคนเดียวเท่านี้จ้างยาไปเข้าไหนผองิพอได้มันคิดปุ๊กทิ่งไปรถด้วยกับผมรู้สึกมันคิดฟุกข่าบอกไปสนใจกับผมคิดแบบนั้นใช้คนรู้สึก ควรรู้สึกอันนี้คนว่าตามตัวหนังสือนั้นครูบาอาจารย์คำว่านั้นเพราะว่าสติบ้านเนีเพราะว่าให้หูมื่อโตให้หูจักตัวเองแล้วให้หูจับใจตัวเองคิดภาษาพนมรัอย่าลืมโตเด้อคนว่าของครูบาอาจารย์โตอย่าลืมโต้าสาธรรมะเพื่ออ้นโมหะมเรื่องนี้มันก็เลยไปตรงเอากับ คำพูดคําสอนที่พระพุทธเจ้าเคยบอกว่าให้มีสติกําหนดรู้ในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนให้มีสติกําหนดรู้อันนี้แหละเพื่นว่ามันเป็นุญแจดอกเอกแล้วทอนั่งกันอย่งโบโขเพื่นว่าให้มีสติเข้าไปกําหนดรู้ในอิริยาบถทั้งสี่พูดรือยืนเดินนั่งนอนเนาะ ยังบู פור ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ในอริยมุทย่อยอีกขึ้นหนึ่งผู้เยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก่ให้รู้คุณวะรู้ได้มันจะเป็นอยังเข like, าบูรู้จก world, ักนมือเละอริยปัตตทุกนี้แหละเมื่อรู้จักอันนี้เหล่มันจะไปเองมันเหมือนกับน้ามันจะไหลไปสู่ทะเลเมื่ทุกหยดมันิะตกใส่จอมผูจอมเขาแต่กรตาไมันจะค่อยรวมตัวกันเข้ามาถึงของน้อยๆมัน เมื่อมันรวมตัวกันเข้าแล้วก็จะเป็นน้ำใสใยไหลายไปไหลไปลงทะเลเมื่อน้ำอันนี้ก็คือการเมื่อรวมตัวกันเข้าแล้วการเคลื่อนไหวโดยวิธีใดมันซีรู้มันซีรู้มันซีเห็นมันซีเข้าใจมันซีรวมตัวกันเข้ามันซีรวมตัวกันเข้ามันเลยโไหลายไปในควมคิดมันเลยทวนด้วยควากคิดมันก็เลยรู้จักกระแสของควมคิดนะรู้จักแล้มันจะเป็นยัง มันตีดุกออกจากฐานมันจีเข้าสู่สภาพเดิมของมันเมื่อเข้าสู่สภาพเดิมของมานแล้วสิเป็นอยังมันก็หมดแล้วมันก็ฮอตต้นน้ำปุ่นแหลกพอเห็นต้นน้าแล้วเน้นต้นน้ามาอยู่นี้็จอจะว่าเทุของมันคือเฮารู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจคนของมันมันจีเข้าสู่สภาพเดิมของมันเพราะมันเป็นอย่างสั้นทุกคนเป็นอย่างสั้นอันนี้เรียกว่า จะเป็นว่าของจรงโบนี่คนจับคนผู้หญิงกะชี้เป็นยังสั้นผู้ชายกะชีเป็นจังสันส้นเนจ้าหัวไอจูอก็ชีเป็นยังสัน้นคนไทยคนจีนคนฝรั่งเศสคนอังกฤ ษ, ค น, กฤษคนอเมริกาคนเยอรมันคนคาเมนคนยนต์คนลาวคนอินเดียพ ก, ก็กคือกั น, เ ป, น, น, น, เ, นบบเป็นอันนี้แท้ๆ1า5โมเป็นอันนี้แบบโบนี่เช่นย่งว่าลู่ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ยลู่อันเดียวกันทั้งนั้น เ้าหากรู้คนละอันแล้วก็โบแมนแล้วกับเจ้ารู้อันนั้นคอยรู้อันนี้เนี้มันก็โบแมนสัจจะแหละที่อย่งพ่อว่า น, นิลรับรองว่าต้องรู้อันนี้มัดทุกคนถ้าโบ ร, รูอันนี้โบแมนเพราะคนมันจะตายทุกคนแหมคนไทยก็ตายคนจินก็ตายคนฝรั่งเศส ก, ก็ตายคนอเมริกาก็ตายให้ว่าเกิดเป็นคนแล้วตายมัดตัดก็ตายตายมัดต่างแต่ว่าตายช้าหรือเร็ว ผู้ให่สิสายก่อนนั้นบุงคั่งจั๊ผู้น้อยตายก้อนผู้ใหญ่ก็ได้ผู้ใหญ่ตายก้อนผู้น้อยก็ได้เจ้าหัวกระตายไอจัวกระตายสายมัดสุกคนคนมีเงินหลายๆกระจายคนมีคผมหู้หลายๆกระจายหยกเงินบุระคนตายก้อนสิตายนี่เป็นอย่างก้อนนั้นนั้นบุงคั่งจั๊บย่อยวัดไม่บุงคั่งเลยมันต้องเข้าสู่สภาพเดินของมันแล้วจึงตายได้คนนี้ถ้าหักบุกเข้าสู่สภาพเดินของมันอกมันตาย รับรองได้อั น, น, น, อ น, อนเนี้ยเพิ่งอย่งว่าตกอะไรเอยโจรเน้อสิสิ่งสองกันไปเบื้งคนเจ็บใครได้ป่วยหมอจิตายแบบนั้นเจ้าต้องมี ส, สติเด้อมสีสติมี ส, สติจะให้เห็นอย่างไรสิโบหุู้จักผู้ที่ไปบอกกับโบหุจักแล้วคนที่จีตตายเขาจี้หุจักได้อย่างไรอันนี้ก็หมายถึงว่าให้ฝังแล้วก็ตั้งใจฝังจดจำเอาไว้ มหจิลูนเนี่ยพอวานี่หรือบางคนนั่งอยู่นี่อาจิโบเข้าใจกันมีได้นั่งอยู่นี่เราอยู่เนี่ยบางคนที่เข้าใจก็นี้บางคนอาจิบบเคยได้อยู่จากเพือกันนี้ด้วยนี่บางคนจิได้ยินมาแล้วบอกเข้าใจกันมีฟังอยู่เดียวนี่นี่บางคนเป็นแล้วก็มีบางคนก็เป็นก็นมีนี่สจัจจะอันนี้เนี่ยพอจึงยืนอยู่ตรงนี้ที่เนี่ยพอว่านั้นขุดน้ําบ่อลงไปแล้วมันไปเจอน้ํา จะไปอุดภูน้ำเป็นหน้าที่เราจีตักน้ําออกจากบ่อนั้นให้น้าข้างในไหลออกมาเราตักออกตักออกแล้วกวนปากบอ่อเหมืนกันล้างปากบอ่อมันล้างตมล้างเลนั้นออกไปตักออกตักออกจนน้ําข้างในมันไหลออกมาไหลออกมาควรมัน้ํานสะอาดมาควรบนคุณเอามาขี้ห็นเนี่ยเอาอย่างเที่มหนูตักเทียมหนูปักบอ่อเนี่ยมันลงในคนบ่อมันเห็โดโรดีเงียบเดืเอดตรงเ้าใหม อันนี้ก็คือการเมื่อมันเข้าสู่สภาพเดิมของมันรู้จักมั้ย ค, คุณวาใจถ้าก็จะไนสอนอันนี้แหละปัจจัยผู้อื่นว่ากรแมนยย่ผมว่ากรแมยไม่คมผมอันนี้บ่ญของผู้อื่นคมพูชจากขังซีขุนจีอ๋อนี่มาสอนทาสอนทั้งหมดเลยมองโดยจุดนี้การทําบุญให้ทานการรักา่าวศีลการไปทําความสงบหรือไปให้เงากระตามมันต้องมารวมจุดนี้ถ้าบูามารวมจุดนี้เลาว มันก็บลู่คนละอันกันแล้วดังนั้นผู้ที่รู้ตามพระพุทธเจ้าในจิว่ามีสิมและทิศฐีสมุทรถ้าบสมีสิมโบสมีทิศขีคือกันน่ยขบบสถูกแล้วขบโบสถ์อันเดียวกันแล้วมันก็บวยเห็นคําสอนของพระพุทธเจ้าอันเดียวกันนี้มันคนละอันกันนี้อันนี้ที่รับหลองว่าทุกคนดังนั้นภาพสาวกของพระพุทธเจ้าในพันวาถ้ารู้จะภาพมันเข้าสู้สภาพเดิมของมันแล้วกับพระพุทธเจ้าให้ว่าเอ่าไป กับเสาของเป็ น, น, นมีความสุขเท่ากันกับพระพุทธเจ้ามีความยุกิภเท่ากันกับพระพุทธเจ้าแต่ว่าสติปัญญาแท้บุคัลผู้เรียนหลายมันต้องรู้หลายผู้เห็นน้อยมันต้องรู้น้อยแต่สภาพอ น, นั้นเท่ากันผู้ยิงก็เท่ากันผู้ใส่ก็กเท่ากันผู้น้อยก็เท่ากันเจ้า ห, หัวไอจัวก็เท่ากันมันเข้าสู่สภาพเดิของมันเลยไหมหลงพ่อกันกเลยว่าให้เหมือนกับแปดแ๊ดเ่นแหวนรถแหวนน็อตนั่น เมื่อมันยังดูเยื่อหุนเข้ากันสึกเข้ากันลดรถเยอะดเงินยื่นได้บัานนี้แม่นมันยังมีอย่าเอาลูกทำาปเป็นหัดแหวงนั่นแล้วก็บัดเกลียวที่เอาเข้าเอารถเงินเอาแหวนนั่งเข้ากันสึกเข้าถึงทีม่นะไหลออกจักออกไหลออมันไม่มีเกลียวที่ดึงกันรดอันนี้พยนครไว้อายุธนศิษย์ต่อแม่ยุบกลมาวหันตาเห็นลูกหูฟังเสียงเห็นอยาให้มันสวดเป็นงามฟังอยากให้มันเงินเงิยุ่กลมวา แต่มันเป็นยางเหนียวอยู่อ่ะมันปึ๊กแน ط, ่นปึ๊กไม่เดียวอย่างเดียถ้ามาเข้าสู่สภาพเดิมของมานเนอะโอ๊ยอยัดเข้ามาของโบเ ข, ข้าเพราะมันเป็นองค์สั้นอยู่แล้วเนี่ยอันนี้แหละสัจจะทำทำซ้อนของจะเ้ะแก่นี่บ่คคลทั้งหมดเลยคนนี่เมื่อจะตายนี่นะมันต้องประสบอันนี้ ก, ก่อนนายยะคเคยว่าให้ฝังอยู่อย่างน้อยต้องสนาทีหรือสามนาทีหรือห้านาที แล้วไปมดลมหายใจกันโน้นห้าห้าโบประสบอันนี้บโบมุดลมหายใจแค่ใดอย่างพอหูจักไหมโบูจักแหมโบหูจับยังไรของจริงอ่ะแล้วคนซิบตายบอกโบมีจักคนแล้ไปซ่อนกันเรื่องอื่นมากเรื่องนี้เป็นอย่างเบาเบาเบาแล้วของโบเขาใจมันเข้าใจเรื่องอื่นคุณเนี่ยมันไปติดอยู่บนอื่นพุณเด้อยังว่าใครเบ่งของชิดเนี่ยเบ่งขมงเคลนไหวเนี่ย มันคิดอย่างที่มันจักรโรดแล้วอยากเข้าไปในคนยคิดห้ามมันบุคคคิดน่ะบุห้ามนะมังปรับนานอยู่ห้างไหนมันกินไหลออกมาเรื่อยๆเขาเป็นแต่หน้าที่ตัดขึ้นเท่านั้นอันนี้หลก็ระเป็นเจ้หน้าที่นั้นอยากเข้าไปกับมันมันคิดทิ้งไปเลยอยู่กับคนรู้สึกีนรถอย่างที่นั่งแล้วคนของมันจะเป็นยังไงแล้วคนของมันกับี่มันหู้จักรแล้วแล้วมันกับทุกข์กับคนเนี่ยมันบ็สงสัยนีนะ ถ้าผู้รัเจ้าคน่าตายแล้วเกิดกับบแมเมียนน่นตายแล้วสูนกับบแมเมันแม่นบนไหนเจบวมนนี้แหละนี่ต้องใ้จับมานทีไหมรับรองได้น่สอนดึงรับรองได้เป็นเมื่อสุกผลผู้น้อยก็เป็นผู้ใหญ่ก็เป็นเป็นเมื่อแต่ว่ามันทีเขาสูตสภาพเดิมนันเทงน้อยคนเพราะเป็นผู้ให้จักเนี่ยบางคนพอเจอผู้ให้จับรูดมาเมื่อไหร่เมื่อนี้แหละเพราะว่าเม็นไม่ด มันคนเตรียมุจากคมคิดว่ามันคิดแล้วละโลกก็ลงหมดเลยละส่วอันนี้ก็มนอยู่โบมีแต่เมื่มันมาถึงเถื่อวิธีอันนี้นะมันเป็นที่แรกมันจะรู้เรื่องลูกนานรู้เรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องศาสนาในภาคต้นให้มันจบมันจบแล้วมันจะเกิดข่มรู้แต่ทีนึงมันจะปล่อยตัวออกไปมันจะบูรหัจกผมคิดมันจิดเพลิอยู่กับอารมณ์นั่นภาคหนนี่ภาคที่สอง ก็ดีรู้จักอันนี้มันจะเบาตนเบาโทให้ว่าโทสะโมหะโลภเลือกจิเลตันหาอุปทานนี่มันจะคอยลถจางไปในขณะนี้หลงพอรู้จักจิตใจมันเปลี่ยนจากสภาพหนึ่งไปอยู่สภาพหนึงน่งรู้จักอันนี้แต่ถ้าว่าตามตัวหนังสือนั้นเมื่อรู้จักปรมาจารย์จิตใจมันจะเปลี่ยนลด เรื่องโธสัมโมหะโลภะนี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสีบทุกอันนี้เรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนิดคนอื่นว่าขันห้าอันนี้วันนี้ขันซี่เล้กอยู่ไสว่าสันเอาบางคนอาจิเข้าใจบางคนอาจิบบเข้าใจขันซี่ก็ยกตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แล้วคำซี่ขันห้าขันขันซี่ขันมาสันแล้วขันคํานึงคานึงเป็นอยัางยู่ไส่สัน อาจจะบุเขาใจบางคนบางคนก็เข้าใจคันแปรตามตัวหนังสือนั้นแปลได้เด็เพราะมันเขียนไว้แล้วด้ตัวหนังสือคุณแปลมาจากภาษาบาลีเด็กคัแปรผิ ด, ผ, ดผิดกันไก่เลเด้อันนั้นเป็นคนเว้าเด้แล้วเฮาหูจักอันนี้บอกเวทนาอยู่ใสสัญญาอยู่ใสสังขารอยู่ใสวิญญาณอยู่ใสวิญญาณตายแล้วล่องลอยไปเข้าท้องฟูหันเข้าท้องฟูนี่ไปเกิดอันนั้นพระพุทธเจ้ากว่าวบอแมน่นขาเจ้าสอนมาก่อนนี่เ ่วนมาก้อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังไ่ทันได้ตัดโลเป็นพระพุทธเจ้าจะได้เรื่องเพราะว่าพระพุทธเจ้าอยากรู้จักอันนี้นี่มันเป็นตรงไหนว่าตายแล้วไปเกิดทำคทำเวรแล้แล้วมันไปตกนรกมันยื้อสายพระวิญญาณนี่เรามันรู้สิวิญญาณนว่าลองลอยออกไปพุ่นนี่เป็นพระพุทธเจ้าบอกวิญญาณแปลว่ารู้ว่าสอันโต้รู้นั่นแหละเป็นวิญญาณอันโตรู้นั่นแหละเป็นปัญญา ปัญญาไปว่าหลอกลูกวิญญาณก็ไปว่ารู้เนี่ยอันตัวรู้ตึกตัวตื้นตัวอันตัวรู้ตึกใจตื้นใจนั่นแหละวิญญาณนะตายเห็นผู้จักเนี่ยอันผู้จักแล้ก็พ <awakening> ืดกับพูดแล้วก็อันเดียวนั Sims ่นแหละวิญญาณอยู่กลงเสียงผู้จักเสียงหนักเสียงเบาผู้จักเสียงธรรมะเสียงบทเรีนธรรมะอันตัวพูดนั่นแหละตัววิญญาณ มันนึกมันคิดขึ้นมาหูจักมันนึกมานคิอันโตหูจักมันนึกอันนั้นแหละบิดยาบเนี่ยเขาใจเขาสันผู้อื่นจีเขาใจสันใดบุหูจักอันนี้แล้วเมื่อเรมันจีเป็นสันใดกมันจิไปเข้าสู่สภาพเดิมของมันขึ้นอันนี้ศาสนาคิดฟันวาถ้าหากผู้ใดฟังขอมพระเยซูแล้วพระเยซูในที่มารับเอาดวงจิตบิดญานั้นไปอยู่กับพระเยซูนั้นที่ใดฟันวาเนี่ย นิรันดอนแดนแดนอยอแตงโมแตงโมวานะมีความสุขนิรันดอนมานาเต้นอย่างพอบุหจักเรือง ต, ตำลักตาราเท้อย่างพอบุหจักเพราะอย่างพอบได้เห็นเขียนหนังสือไทยกับโเปีนว่าภาษาบ้านอื่นกับว่าโบเปีนภาษากางภาษาอย่างโบเปีนหูจักในภาษาบ้านหลวงพ่อ น, นี่เนี่ยหุจักแท้แทเรื่องนี้ไพซี่มามาซะแล้วก็บอเสือใจ่อนเสือพอบุ้หจักเบย นนมันเข้าสู่สภาพออกมาโอ้โหให้มันเรื่องเดียร์โทนี้อันนี้เป่าสัตถุทำคําสอนของพระพุทธเจ้าแม้พระพุทธเจ้าจิบโอ้โมันก็เป็นจังทันพระพุทธเจ้าจิบโอ้โมันก็เป็นจังทันธรรมะแท้จริงนั้นมันจึงมีมาก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงเป็นคนแรกที่สุดว่่านยกให้เขาเนี่คนพบแล้วนํามาสอนแล้วขเขาก็ไปสอนเรื่องอื่นอันวิธีที่เฮ็ดนี่เขาโบสอน รูกคุนแจเนี่ยถ้าบเป็นลูกของมันสุกเขาเลยมานจบวชหาอบิดเจนลูกมันหักเาเคยเห็นว่าบิดเอลูกกระเจบเอาโซเข้าไดเป็นลูกมันบิดเขามืนออกบวชบวชออกบวชไ่เป็นลูกมันเป็นบวชมันยังบวชหยปนบวชขันเด้งในลูกมันแล้วสุกเข้าไปบึดเบาๆกัออกเป็นบวชอันนี้แหละหายเหาเข้าใจเอาว่าท่านว่าโอ๊ยบะพอเดีวบวบบ้าบวบจังได้เลยเอาบ้าแล้วก็ของเจ้าบเขหจ มันบ้าขนาะบ้าเจ้ากับบ้าค่อยมืคนละบ้ากันว่ะคนลูกของเจ้ากับคนลูกของค่อยเหมืนคนละลูกกันว่าคนลูกของค่อยเป็บุตในคนลูกของเจ้าคนลูกของเจ้าบป็นบุตรในคนลูกของค่บ้าของเจ้าบเป็นบ้าของค่บ้าของค่อยเหมืนกับ้าของเจ้าจะว่าลูกเองเห็นเองเข้าใจเองแล้วกันรับรองคําพูดของตัวเองและทุกคนต้องรู้อย่างนี้ถ้าหากบูตอันนีเดาบุแมเนี่จว่ามีความสุขเข้ากันกับพระเจ้า วาวกของพระพจิตรเหรอที่ว่ามีสินและทิฐิเข้ากันกับพระพิจิตรเช่นว่ากันผู้ใดลู่ตามเห็นตามเข้าใจตามนั้นว่าผู้ลู่ตามเห็นตามเข้าใจตามมีสินและทิฐิเสมอกันนั่นว่าเอาวสวดเดี่เอาไปสวดมันมองคนที่บ้านเมืองเขาเจ้าเฮ็ดบุญเฮ็ดฐานเราเอาไปหาเจ้าหัวยอิ๋วไปสวดเนีย่ยสวดเป็นภาษาบาลีนเนี่ยมันบทนี้เป็นภาษาอย่างทีศอย่างภาวานี่เนี่ อันคำมาวาดอย่างบ้านเหาเนี่ยพอผู้จักกับเป็นอย่างสันแม่หู้จักกัเป็นอย่างสันลูกผู้จักกลเป็นอย่างสันโมผิดกันเขากังส่นวายส่นวายันสันจังว่าคูู่้จักกับบูหัวจักมัน เ, นเกิมยย ด, กดกนะมาผลร่างันหู้จักและอันเดียวกันโรดท้ายทีว่าอยู่ใส่กระตามสาเ่าพ่อเคยวาให้ฟังเอาเครื่องในร่อมาคูกใส่เหานี้คกษษ่ใส่หน้าตัดตรงกลางตับกันเมดอันเดียวกันนี่อย่าพอเาบาดงเข้าหากันบ่ถ ทำมาแก้ส้นนี้ไปต่อตรงกลางเสาเนี่กเสบดถึงจนแล้วแต่แก้ตรงกลางมาพูกให้เสานี้ตรงกลางเสาบดถึงเนี่ยก็ไม่คนเดียวกันนี่ตั <จะ S 2> กน้ําออกจากบ่อให้ม <ceux leg> <Hollywood> ันแห้งก็ไม่วนเดียวกันนี่เนี่ยพอจุดประสงค์เนี่ยพอเน้นมาเจตน์ทอนี้เนี่ยเอาสัมผัสไปจุบน้ําบีบน้ําออกให้มันน้ำก็ไม่จุดเดียวกันนี่เนี่ยข่าวบอตึงมาจับเอาเอาน้ําปูนมาบีบแส้มันหลุดออกมานี่ยก็ไม่ันเดียวกันนี่ เนีย่ยอเนมนอยู่แต่เรื่องนี้ให้คนทําคมลูสึ่ตัวตื่นตัวให้คนทําคมลู่ตื่ใจตื่นใจนี้ตื่นเนี่ยมันจะเป็นยังเนี่ยมันจิไหลไปสู่สภาพเดิมของมันถ้าหากบนลู่อันนี้เราออกเราขงรังรถเพราะหลักมันมีโยนี้ไหมเพื่อจะมาลูกของหาาดของกลางของละเอียดของหยาดยังไงเนี่เขาให้ตังตีอยู่ยาาดยเดียวกกำมือเหยียดมืออยู่เนี่ยคนอื่นมองเห็นอันนี้ยู่ไกลไกลกเห็น เราเดินไปเดินมาจ่หักบุู้จักว่าเราผู้จักอัะไรบุหุจักอันนี้บัดนี้เราหายใจอยู่นี่คนอื่นอย่างมองเห็นยุอันนี้มันยางการเข้ามาแล้วนีอันทิพตานี้กับเคลื่อนไหวนี่ยู่ไกลเห็นอันนี้เริ่มหายใจนี่ต้องเบื้งบนม้อเมือนจีทองตีนกับหูคอตีนพวกนั้นเบื้งบนม้อเนี่ยที่เห็นอันนี้หักบุูุจักได้หรือเห็นนซื้อหักบุหุจักขับเคลื่อนไหวนี่ก็เห็นนิส้อหักบุหุจักว่าเราผู้ยักอะไรบุหุจัก คนที่จะคล่องเคลื่อนไหวนะฮู้คนที่หายใจแล้ว้โตคิดตวัวนึกทีเด้เห็นบอบใบเห็นจ่อยวักซอกคำาิดเบือนกับใเห็นผู้ท่นานคิดจังไงพวกบุกบจชกแล้วผู้ท่านละจีเห็นเองเป็นของคิดนี่ยจึงว่ารู้เองเห็นเองเข้าใจเองอันนี้เป็นของละเอียดและละเอียดกว่าท่านเป็นอย่งย่อมมันจะเปสู้สภาพเดิมของมันคุณนั่นแหละอริยสัจสี่อันนี้แหละอริยสัจสี่แท้ๆอันนี้ พ, อพ่อผิด รับรองบอกว่าบ่อผิดหงเคลื่อนไหวอันนี้สองเคลื่อนไหวอย่างที่วานี่นยหลายใจเข้าหายใจออกนี้สามผู้จักกลบคิดอันนั้นคือมันจะเข้าสู่สภาพโดวยวเข้าณอันนี้อันนี้แหละอริยสัจสี่นอกจากตำลาไปถ้าหากว่าสิมันก็มีในตำราบ้าเวเมนรุบ้ า, บารับรองเป็นบ้าแต่บ้าไม่ผิดรับรองบอกว่าไม่ผิด ส่วนถ้าใจปิดบกทั้งสามปิดบก้วก็ที่มารวมจุดนี้ถ้าบ่มารวมจุดนี้กัแมนอยู่แมบนบนนี้มันเป็นแมนบนนี้บนนี้แหละนับรบอกว่าแมนทำไมจีว่าแมนยอ่อมมันจริงแต่แค่นี้คนในจีโบตายบนมีเจักคนเลยทีเดียวก่อนที่ต้มมันจะเป็นมันจะเข้าสู่สภาพเดิมของมนุษย์สะกอนพระพุทธเจ้าจึงมาสอนให้เรารู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจให้มันเข้าสู่สภาพเดิมของมันไว้สะกอน เป็นวายจากันแล้วเอาบูฮ้จักเด้กแล้วจเะเป็นว่าผู้หันตัวผู้ดีดีแมนอยู่เด็อันนั้นแหละเป็นว่าทิทมานาณะก็ยังให้ลดทิฏฐิลดมานะลดความถือเมื่อถือตัวให้ทำความรู้สึกตัวจิตใจมันคิดกูละมึงละนี่เป็นว่าเอิ้นมีตนมีโตขึ้นมาแล้วนั่ น, น, นถือเมื่อถีอตัวขึ้นมาแล้ ว, เ, วเป็นไตรปิ่กนะครับก็ก้อนกำลังนะท่านอาจารั์ มีผู้ใดมาว่าแล้วโอ้มาถือว่าผมให้บุญเขาจับเมื่อมาเข้าใจแล้วโอ้ผมรู้ขาเจ้าู้วจับยักดีทั้งนั้นแน่นอนะยักดีทนี้บอกว่าตั้งแต่ในแต่พระใญาติใจมยักดีมากทุกคนเขายักดีแต่เขาบุญหัจักดีแบบนี้บางคนอยากได้บุญนะแต่เขาบุญหัจักบุญแบบนี้บางคน แค่ผมเข้าใจว่าทุกคนมานี้ต้องได้ใช้บาครับถ้ากเป็นโยมกันน้พระเขาก็ติดกันกเป็นอย่างน้อยเขาต้องใช้บาตรพ่อแม่เขาาไปใช้บาตรแล้วก็ได้ไปจังหันพ่อแม่เขาไปเอาอาหารให้เจ้าหัวไอ้จัวแล้วก็ได้ไปเพนอันนี้เป็นกิจที่ทุกคนทํามาแล้วและนนอกจากนั้นมาแบบนี้ เขายัางได้ไหว้พระเมื่อเตาเมื่อแรงไหว้พระในพอดำแล่ ค, ขอขอแรครับพอดแม่เขาาไหว้พระเขาได้ทํามาแล้วบุญครับว่าสงสัยนอกจากนั้นยังมีการหลับติ่งติ่ห้าทุกคนได้หลับติ่งห้าติ่งแปกบางคนก็ได้รับบางคนเขาไม่ได้รับแต่ผมเข้าใจว่าหมานี้ต้องได้รับทุกคนเพราะว่าเขาเป็นพระเด้อ ในโยมกับอายุวัดนไม่กลาคง้จ็บจได้หลับทุกคนสคิบสิบสิบสองร้อยยี่สิบเก็่นเรานี่เฮาพูดจักกันดีครับแล้วก็สิ่นสามร้อยสิบจิกตุนีสามร้อยสิบเอ็ดตเฮากับพูดจักกันนะเขาได้เฮตเมดรมุลเลยครับล้วนแต่ว่าเขาต้องการความดีนั่นแหละแต่ความดีนั่นมันโวย บูฮู้จักว่าเป็นยังไงถึเขาบูฮู้จักได้ครับถ้าคนเจ้าคุนสอนให้เขาลดมาร์น่ะลดทิศทิศลดโมเห็นแค่โตเขาบ่ามานาทิศินี่หมายถึงอันไหน mm hmm. บ่ฟังผมมู่แค่นคบ่ mm hmm. บ่ฟังผมมู่แม่นบ่ม mm hmm. บ่ฟังผมผู้ใหคือว่าสายสัน mm hmm. เหมือนกันถ้าใจคิดว่ามันนี้อยู่ตลอดเวลาก็่ไหร่ได้อันนี้ไม่ใช่อย่างนะั้นมีนเกิดดับเกิดดับแต่พุทธศาสนาของเราเน้นสอนให้เราเข้าใจว่าทิ้งทั้งหลายไม่คงทิ้งเพราะมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาทิ้งทั้งหลายมันเกิดดับเกิดดั บ, เ ก, ดดบเกิดดับอยู่ตลอดเวลาความรู้ความโกรธความหลงอะไรต่ออะไรมันก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ถาวร ถ้าเราไปถือว่ามีกิเลสอยู่ตลอดเวลากลายเป็นความเห็นผิดไปแต่หลักการหลักของพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่าสัจสะ ท, ทิฏฐิสัจจะทิฏฐิก็คือเห็นว่าวเที่ยงว่าเท่เห็นว่าเรามีกิเลสตลอดเวลามีความโกรธมีความเกลียดมีความรักความชันอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นเป็นสัจสะทิฏฐิไม่ถู ก, กหลักการหลักพระพุทธศาสนา หลักของพระพุทธศาสนาสอนเราว่าอะไรอะไรมันเกิดเพราะการปรุแตงเพียงครั้งคราวแต่ถ้าเดียวเดียวแตนั้นแต่ว่าเราเห็นว่ามันนานเพราว่ามันถูดโต้กันไปผุดต่อกันไปเหมือนกับไฟเราเห็นมันลุกเป็นไฟอยู่ตลอดเวลาความจริงมันไม่ได้อยู่อย่างนั้แต่มันเปลี่ยนแปลงถีอยึดจนเราดูไม่ได้ไม่ทันแต่เราไม่มีความถื่ที่จะดูมันได้เราจึงเห็นว่า มันเป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อแท้มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทิ้งที่เกิดขึ้นในใจเรานี่ก็เหมือนกันจะเป็นความโลภเป็นความโกรธเป็นความหลงความวิ่นายอะไรก็ตามมันเกิดเป็นข้านข่าวเท่านั้นแล้วมันก็ดับไปหายไปเล่นไหวแต่ว่ามีอะไรมากระทบเก่าอีกก็าฟึ่งตรงต่อไปแล้วก็เกิดขึ้นมาอีกระยะหนึ่งเป็นเช่นนั้น ยญาเิโยมสังเกตตัวเราเองแต่ละคนเถอะนี่เลานะนี่เราไม่ได้มีความโกรธอะไรอยู่ในใจเลยแนมะ้แต่น้อยความลูกก็ไม่มีเวลานี้ความลหลมงไหลเมาอเอาอะไรก็ไม่มีใจเราเป็นสภาพปกติไม่จากกิเลศในเวลานี้เพื่อข้างเพื่อคราวเพราะอยู่กับธรรมนะพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าท่านฟังธรรมไม่มีกิเลสเกิดขึ้นในใจ ถ้าหน้าสนทนาธรรมก็ไม่มีกิเลสเกิดขึ้นในใจแต่ว่าต้องสนทนาด้วยจิตแต่ถ้าสนทนาธรรมโดยไม่มีจิที่เลสเกิดวัยเหมือนกันเพราะอะไรเจ้าความเหม็นของตัวมันกัดกับความเหม็นคนื่นแล้วก็เึกว่าของฉันถูกของคนุนใช่ไม่ได้อย่างนี้จะเรียกว่าเกิดทิฐิขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวกิมลสมันขึ้นขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวแต่นั่นคุ ย, คยไปไม่ได้นม่กูเผลอไปแล้ว เดี๋ยวมันก็หายไปไม่ปรากดแกเราต่อไปเพราะฉะนั้นในขนาดใดที่เรามีการควบคุมในขณะนั้นเราว่างจากกิเลสเราอดู่ดด้วยจิตว่างในขณะนั้นจิตว่างนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องพิเศษพิสดานอะไรหรอกแต่ว่าก่อนนี้ไม่มีใครพูดถึงไม่มีใครแสดงออกมาถ้ามีผูดไปค้นในระกรบาดิโด เนท่านพุทธทาสจริงทนไปอ่านไปเจอเข้าวก็เห็นว่าอันนี้ไม่มีพูดกันในประเทศไทยแต่เมืองอื่นเขาพูดกันอยู่แล้วมันน่าขายหน้าในความเป็นพุทธบริษัทจึงต้องเอามาพูดกันมางเพื่อญาติโยมจะได้ศึกษาทําความเข้าใจไม่ขายหนะ้าพุทธบริษัทชาวต่างประเทศเช่นยุคจีนหรือชาวจีนในสมัยก่อนที่จะเป็นแดงหรือว่าฝรั่งที่เข้ามาศึกษาใหม่ๆ เขาพูดกันถึงเรื่องนี้แต่เราไม่ได้พูดกันเลยก็เลยมีมอยู่แต่ไม่มีใครเอามาพูดก็เลยเอามาพูดให้เข้าใจคนนึกว่าเป็นของใหม่ไปท่านนเมื่อท่านพูดใหม่ๆนี่บางคนูเอาอะไรมาพูดก็มีเยอไม่นีอยู่ในคำพิมพ์มั่งอะไรต่อเรามั่งความจริงนั้นท่านพุทธทาสี่ท่านไม่พูดอะไรหลงๆแรงงีหรอกคนมีเหตุผลมีฐานหลักฐานอ่านยิน แต่ว่าผู้ข้างเล็กั่านไม่อ้างเพื่ อ, อย่างดูความคิดของคนว่าเขาจะแสดงอย่างไรปล่อยให้เขาทะเลาะกันเกี่ยวกันจะได้เกิดปัญญาเกิดความคิดความอ่านข้างมาเห็นก็พูดกันมากกันเลยบอกว่ามันมาที่นี่มีมมข้อความมาอย่างนั้นอย่างนั้นสมัยนั้นพระพุทธเจ้าท่านอยู่ที่นั้นท่านพูดเรื่องนั้นกับคนคนนี้น อ, อ้างที่มาขึ้นมาคนที่พูดว่าไม่มีก็เลยเงียบไปไม่โต้ไม่เสียงกันต่อไป แต่ว่ายังไม่ยอมรับว่ามันว่างทำไมจึงไม่ยอมรับเพราะว่าจิตของตัวมันมีกิเลสตลอดยืดตื่วเมงนั่นเองมันเป็นเรื่องของคนนั้นไม่ใช่ของคนทั่วไปไม่ใช่สาธารณะแตถ้าเป็นสาธารณะแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นคนบางคนนั่งอยู่เชั่อมบงเน่เขาไม่มีอะไรจิตใจเขาสงบอยู่เขาสบายอยู่แต่บางคนนั้นจิดลุกขุดนึ่งไม่สำปรีดี อะไรก็ไม่มีสตินะคะมันก็แ่คมามมีกิเลสอันนี้ถ้าเรามีกิเลสเราไปวัดว่าคนอื่นเหมือนเรามันก็ไม่ได้อย่างนั้นอาจจะไม่เหมือนกันเราจะเห็นว่าคนบางคนสตบเรียบร้อยแต่บางคนวุ่นวามเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนีน้อาการมันไม่เหมือนกันเรียกว่าปุงเแตกไม่เหมือนกันให้เดิ ม, มันเหมือนกันแหละแต่ว่าปุงไม่เหมือนกันแค่ก็บ้านมีสีไม่เหมือนกัน บ้านหนึ่งทาสีเขีบ้านหนึ่งทาสีขาวบ้านหนึ่งแม้ว่าถีชมพูก็ไปเลยมันหลายสีแต่ว่าเดิมบ้านหนก็อันนั้นแหละเดินทายเอามาประสมกันข้าวแล้วก็บเข้าไปที่ขวาเรื่องมืออีกในไรแต่ว่าสีที่ไปทามันไม่เหมือนกันเราจึงเห็นว่าบ้านนั้นแตกต่างกับบ้านนู้นบ้านนู้นแตกต่างกับบ้านนี้อ่มันต่างกันไปหลายอย่าง เพราะเราไปดูสิ่งที่เขาเปลี่แปลงไม่ได้ดึไปที่เนี้เท่จัวใจคนเรานี่ก็เหมือนกันนะเราไปดูคนหนึ่งกำลังโกรธเราก็นึกว่าคนนั้นเป็นคนโกรธไปความจริงเขาไม่ได้โกรธตลอดเวลาเขาโกรธเมื่อมีอารมณ์มากระทบพออารมณ์นั้นจางไปก็หายโกรธเขาเกลียดก็ไม่ตลอดเวลาเกลียดเมื่อมีอารมณ์มากระทบแล้วไม่มีสติไม่มีปัญญารู้ทัน เลยเกลียดขึ้นมามันไสขึ้นมาว่างั้นเถอะชังคนนั้นชังคนนี้ขึ้นมาต่อคนนั้นไปหายไปแล้วเป็นภาวะปกติต่อไปไม่มีอะไรเลยในขณะนั้นอันนี้เราต้องคอยสังเกตถ้าวันไหนจิตเรามันขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้บ่อยๆแสดงว่าสติเราน้อยไปปัญญาเราน้อยไปเราจึงถูกอารมณ์มันเติดมันถองเอาเหมือนกับลูกพุทบอมนะฮ เราเลงไปในสนามเน่ยนะตะกันไปเตะกันมาเข่าฟูแล้วเอาออกมาเตะกันต่อไปเมืออย่างนี้เรียกว่าถูกเตะอยู่ไม่ได้หยุดได้ย่อนเรวก็เป็นอย่างนั้นอารมมันเตะเอารูปบา้บางเสียงบา้บางลื่นบา้บางรถบา้บางดึงสัมผัสบ้างไม่มีอะไรก็ามานึกขวัญเอาเองเอาของเข่ามาดีลุน้นแล้วก็เกิดอารมดีใจ บ, าบา้างเสียใจบา้างเข้าใจบ้าง บางทีเพื่อมานยยึดถึงเรื่องข่าวแล้วชั้นข้าวเลอะเกินไม่เรื่องอะไรโยนดีๆหาเรื่องมาให้น้ําตาไหลอย่างนี้นเขาเรียกว่าไม่เข้าใจเรื่องของชีวิตไปคิดในมันยื่ น, นไปเปล่าเปล่าซึ่งเต็มขึ้นมาตรงนี้เอานั่นมาใส่เอานี่มาใส่ตึงกันขึ้นมาเมื่อเดิมมันไม่มีแต่เราไปหยุดนั่นมาใส่หยุดนี่มาใส่เหมือนกับโยนที่ทํากับข้าวนะที่เราทํากับข้าวชื่อแปลกๆนะ ให้มันจะดุคนลกินหน่อยเบี่ยมันแปลกๆแล้วกับข้าวนั้นมันมีอะไรบ้างหลายอยางเอานังสายเอานี่ไก่ไปเปิดดูตําราตากับข้าวแล้วโอ้หลายอย่างบางทีคนไม่เคยมันก็มีเพื่อนช่างมาวัดด้วยเลยว่าอะรนา่นสายกุ้งแข่งเท่านั้นพริกเท่า น, น, นั้นก็ไปเท่านั้นแม้กว่าจะได้กินนานแล้เลวเกินก็มอไปไปช่างอยู่ไอ้คนนั่งกินก็แม้หิวเต็นทีแล้วเมื่อไรจะเสร็จสักทีช่างไม่ล้มลอยอยู ถ้ามันไม่ได้เรื่องอันนี้ก็คนที่เขาไม่มีอะไรมาก็ใส่ใส่ลงไปมันก็เรียบน้อยได้เป็นแก่นแกงหนึ่งขึ้นมาให้เกงนั่นเกงที่มันของผสมทางนั้นเนื้อเดนมันไม่มีเก่งเก่งดวงก็มีได้หลยอย่างใส่ขมิ้นบ้างใส่พริกบ้างเนื้อบ้างกับปิกบ้างอะไรต่ออะไรบ้างและแต่ว่าไอ้ที่มากก็คือดจะมาขามันเองไงนั้นหนักน้อย ใส่ลงไปก็กลายเป็นแกงเหลืองมันเหลืองเพราะขมิ้นไม่ใช่เรื่องอะไรเลยก็เรียกว่าอย่างนั้นแกงกะหรี่แกงเผดแกงนั่นตกงนี้กับข้าวไทยบ้างฝรัง่งมากก็อาศัยการยิ่งแต่งทางนั้นยึ่งเติมขึ้นมาได้เราจรึงต้องพิจารณาว่าเราถูกอะไรปึงแต่งเช่ น, เนว่าทีนังอยู่ดูๆมันเกิดอะไรขึ้นมาในใจนี่มันพ้นไปแลยย้วเรื่องนั้น แต่เราเรียนรู้ไหวเพื่อเป็นบทเรียนเพื่อพิจารณาในโอกาสต่อไปว่าอะไรมันเป็นอะไรเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรอย่าอย่าแม้แต่ว่ามันพ้นไปแล้วช่างหัวมันไอ้พี่เอามาคิดด้วยความเขานะไม่ได้เราเรียกว่าคิดด้วยอะไรไม่ได้เหมือนคําที่เราสวดมนต์ที่กอาบไผว่าอาตีตังนันวาขมัยยะนปฏิกังที่อนาคตังเนี่ย ปฏิบัติงานเยอเยอธรรมะตัดถาตัดถาวิปัสสติสีทยวคนใดมาคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรหรือคิดถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงด้วยความเกรธเพื่อนั้นย่อมมีความทุกข์แต่ถ้าเราพิจารณาสิ่งนั้นๆด้วยปัญญาเราจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่นี้นเราโดยมากไม่ได้อย่างนั้นคือไม่ได้มองด้วยปัญญาในสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะเนี่ย แต่ว่าไปคิดถึงเรื่องเก่าบ้างเรื่องที่ยังไม่มาถึงบ้างแล้วก็เลยคิดกันไปในรูปต่างๆบางทีคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่เข้าใจเรื่องที่ควรคิดทำให้เกิดเป็นปัญหาเหมือนกับที่เจอนักศึกษาคนหนึ่งไปหาอาจารย์เพราะว่าเขาได้อ่านหนังสือนั่นเองอ่านหนังสือที่เขาพูดแต่งเพล ง, ลงเขาบอกว่าต้นหญ้าต้นไม้ สัตว์เดรัฉานอะไรตั้งหลายก็จะเป็นคิดทะได้ไหนอ่านแล้วมันไม่น่าฟังเลยไม่น่าเชื่อเลยก็เลยเกี่ยวคิดอยู่คนเดียวแต่คิดไม่เห็นก็ไปเจออาจารย์ก็องค์หนึงอะไรบอกท่านอาจารย์ครับเพื่อแก้ปัญหาให้ผมถีเธอะอาจารย์ถามว่าปัญหาอะไรปัญหาที่ว่าเขาเ ข, าเขียนไว้ว่าต้นหญาต้นไม้สัตว์เดรัฉานก็เป็นระเบิดเจ้าได้มันจะเป็นได้อย่างไรครับท่านอาจารย์ อาจารย์บอกว่าจะมัวไปคิดถึงต้นหญ้าต้นไม้จติเรขาฉานน่ะเป็นพุท ธ, ธะทาไมทําไมไม่คิดว่าตัวจะเป็นได้อย่างไร <c oughs> จะว่าอย่างนั้นมัวไปคิดเรื่องต้นหญ้าต้นไม้ว่ามันจะเป็นได้อย่างไรมันไม่ได้เรื่องแต่ควรจะมาคิดว่าตัวเราเองจะเป็นพุท ธ, ธะได้อย่างไรจะทําใจอย่างไรจนจะถึงความเป็นพุท ธ, ธะดีกว่าที่จะไปคิดเรื่องอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกับว่า ถ้าแม่คิดเรื่องที่ไม่ควรคิดนั่นเองบางเรื่องเราคิดแบบผ่าเส่นผมเช่นผมมันเล็กอยู่แล้วอย่างอุจจาระผามันออกไปอีกผ่าออกไปเรื่อยเหมือนที่เขาว่าผมมันแตกปลายมันแก้ยิงหรือเปล่าก็ไม่รู้เด็กโฆษนาว่าอย่างนั้นมันแตกหรือเปล่าหนูผมมันแตกปลายหรือเปล่าไม่ได้ว่าเพร่นเองมันจะแตกอย่างไรผมมันเล็กอยู่แล้วมันจะแตกอย่างไรแต่คนเรามันเกี่คิดไปให้วุ่นวาย เลยต้องไปซื้อรีมอย่างนั้นมาใส่เพื่อไม่ให้ผมแตกปลายเา้าหลอกเราไม่ใช่เรื่องนะไอ้ไอ้นี้เขาเรียกว่าพาเส้นผมเส้นผมมันเล็กอยู่แล้วฉังก็ต้องไปพามันอีกให้มันเล็กลงไปอีกเขาเรียกว่าคิดโดยไม่ได้เรื่องเรามาคิดเรื่องเฉพาะเนื้อหรือว่าเรื่องที่ผ่านไปแล้วแต่อเอามาคิดเพื่อสอบสวนทวนถามในเรื่องนั้นให้มันได้ปัญญาได้เกิดความรู้ความเข้าใจถูกต้อง เรื่องอะไรเกิดขึ้นแล้วมันผ่านไปแล้วเราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นเรามาเสียใจเรื่องอะไรเรามาโกรธเรื่องอะไรเราไปริษยาเขาด้วยเรื่องอะไรเราคิดจะไปทํำนายเขาด้วยเรื่องอะไรเอามานั่งคิดพิจเจรณาทบทวนใส่ถามสอบสวนตัวเองคิดไปด้วยปัญญาด้วยจิตที่สงบไม่มีอะไรเข้ามายุ่งแย่จิตใจ คิดไปเราก็จะเกิดความว่าไม่ได้เรื่องเลยเราเี่มันเยอเมื่ออาจจะดูตัวเองว่าเจ้านี่มันเยอเมื่อไม่เข้าเรื่องเลยคิดเรื่องเหลวไหลทําท่างปัญหาแก่ตัวเองที่ลังไม่เอานะอย่าคิดอย่างนี้อีกต่อไปเราก็จะได้รู้ว่านนั้นมันคิดไม่ได้หรือื่องอื่นี่ก็เหมือนกันให้เราแยกแยะวิเคราะห์วิจัยอย่างนั้นนั่นสำหรับคนที่ว่าอาจจะเผลอไปบ้าง อาราณทุกมันเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องความทุกข์ในชีวิตประจําวันนี่ก็เหมือนกันแหละคนบางคนมีความทุกข์เรือ่องแม่เป็นแม่เนี่ก็ทุกข์เรื่องลูกอ่ะลูกมีลูกไม่สนใจว่าไม่นอนสอนไม่ฟังมันทําอะไรตามใจตัวน้ำมาไอ้เรื่องลูกเนี่ยลูกนี่มันคิดจะเอาเท่านั้นแหละคือมันมไม่ว่าแม่ไมีหน้าที่ให้พ่อมีหน้าที่ให้ลูกมีนหมน้าที่เอา แต่ลูกไม่คิดว่าเรามันต้องห้งบ้างเหมือนกันเขาไม่รู้พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่าท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราต้องเลี้ยงท่านตอบนี่ของลูกต้องทำกุศลให้ท่านต้องประพฤติตนให้ท่านเบา อ, อกเบาใจแล้วก็ให้ประพฤติตนให้สมควรที่จะรับมรดกของพ่อแม่ต่อไปเมื่อท่านเจ็บป่ยก็ต้องดูแลรักษาท่านตายไปแล้วก็ทําความดีเพื่อท่านต่อไป เขาพูดว่าทำดีมีคิดให้ท่านหมายความว่าทาดีเพื่อคุณแม่เพื่อคุณพ่ อ, พอเพื่อคุณตาคุณย่าคุณยายแต่เรานึกถึงท่านเราทำดีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้เป็นหลักที่ลูกจะต้องกระทำแต่ลูกไม่ทำอย่างนั้นกว่าคิดจะเอาท่าเดียวเอาจากคุณแม่ถ้าแม่ไม่ให้ก็มองก่าแันนไม่ดีพ่อนนี้ก็ไม่ดี เขาไม่ดีอนะไไม่ให้ตา่างค์ผมมาไมปวัดตัวตนนั่นเ อ, องไอ้ก็ไม่ให้นะเด็กแต่ตั้าห้าล้วมันสบายใจคิดจดเอาแต่ เ, เลยแต่ไม่ได้คิดว่าเราควรให้อะไรแก่ท่าทนมาตามหน้าที่ของเราวันก่อนนี่เคยเล่าให้ฟังบอกว่าคนคนหนึ่งเขาจะร่เรวยค้าขายเป็นมีตั้งเรียกว่าร้านเรื่องกิจกรรมในกระมนค่าประมาณสักติดล้านบาท ตียก็แก่แล้วนม้ว่่อภัทรทอนไดดีเราจะมอบให้ลูกชายจัดการบริหารการงานต่อไปวันหนึ่งเตียนี้ไปหาลูกชายแล้วบอกว่าเฮ้ยพ่อเตียต้องการเงินสักสามร้อยบาทลูกชายตั้งกัะทู่บังทียวจะเอาไปทำอะไรตั้งใามั้ยนีดย เวลามันขอเตียมไม่ันไม่เคยเตี๋ยถามสักหน่อยถ้าเตี๋ยถามมันเคลือนเราเหี้ยมางั้นนิดหน่อยยังอุตส่าห์ถามแต่พอเตี๋ยขอก็มากมันว่าเอาไปทําอะไรตั้งสามร้อยไอควานจึงเตี๋ยให้ตั้งสิบล้านแต่พอขอสามร้อยมันอาว่าเตี๋ยจะเอามากเกินไปแกแล้วต้องให้รายละเอียดจะเอาไปทําอะไรนั่นเอาไปใช้แล้วส้งส่งไปจดเรื่อยก็ได้ในวังเตี๋ยกว่าจะเดินละช้าจึงไม่มีบิดเบี้ยวนี่มันเป็นอย่างนี้ไง เขาเรียว่าโลูกสมัยนี้มันเอียงนเองแล้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะความจีิโลกมันก็เอียงอยู่หน่อยนึงแต่ว่ามันเอียงมากเวลาเนี้ยเอียงจะพลิกคว่ำไปแล้วมีแต่คิดจะเอาไม่คิดจะให้นี่ก็คือความเห็นแต่ตัวนั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรไม่อยากจะให้อยากจะเอาค น, นเดียวมาเอาทุกอย่างนั้นลูกก็เป็นอย่างนั้นพ่อแม่ที่มีลูกมักจะเป็นทุกเพราะเรื่องอย่างนี้เป็นทุกข์ว่าลูกมันจะเอานั่นจะเอานี่น แล้วถ้าพ่อแม่บอกว่าไม่มนีนะเฮยไม่เชี่อเด็ดขาดเลยอย่างพ่อที่จะไม่หนีคนอย่างแม่ที่จะไม่มีแต่ไม่ให้ทางหาแต่มันว่าอย่างนั้นมันคิดอย่างเดียวจะเอาไม่เห็นอกเห็นใจผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ว่าลําบากเดือดร้อนในการทํามาหากินอย่างไรเขาเึกไม่ได้เพราะเรื่องเขามันเป็นอย่างนั้นเมืม่อไปเลึกได้ต่อเมื่อมีลูกนู่นพอมีลูกก็พ่อแม่ตายหมดนี้เลิกอะไรอีก ไปนอนใมหว่วงพี่ล้แล้วจะไปบอกกับแม่ทำไมนี่ลูกคิดถึงเลยเพืนจะไม่รับผิดแม่่อไปแล้วถ้าแม่ด่าได้ก็อวดามาจากในเลนเลยเอีในน่นกตอนนี้มันจะได้ประโยชน์อะไรลไอ้ลูกเอ้ยมันไม่ได้เรียนแล้วายแลย้วได้เียอะไรเ่มันปสังคนมันเป็นอย่างนั้นมันเปลี่ยนไปเราเรียกว่ามันเปลี่ยนไปในทางที่ไม่เกิดความคิดลบในทางที่ถูกที่ชอบ เอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวไม่คิดถึงคนหัว อ, อกหัวใจของคนอืน่นว่ามีความทึกอย่างไรมีความเดีร้อมอย่างไรคนมีลีประทิกอย่างนั้นเองบางคนก็ทุกว่ามันไม่เอาหน่อยอ่าไม่เอางานเอาการไม่ทำอะไรให้ทำอะไรก็ไม่ได้แต่ทำแล้วมันก็จะไม่อ่าไม่ให้มันจะเอาหมดมีเวลาหนึ่งมาเล่าควาบอกลูกผมนีมันเรียนได้ธรรมชาต เป็นตาเป็นธรรมศาสตร์บัณฑิตแล้วแล้วให้มันทํางานลงมันญชีมันลงไปเรื่องรับเท่านั้นเรื่องจ่ายมันไม่ลงพอทิ้นตีเจ้านาทีฉันปากรมาตรวจบัญชีเสียกันทิบหพยเลยบอกว่าก็มีแต่นับมันไม่ีจ่ายก็เสียภาษีกันอ่านไปเนลยบัญชีเราม่นับตรงนี้เราก็ทำไมมันเลยอย่นี้มันจ่ายแตมันไม่ลงตัวพ่อจะดูแล้วมันจ่ายอะไรแต่อะไร มันเอาไปใช้หมดไงแต่ว่ามันไม่ลงรายจ่ายมันลงใจรับแค่นั้นเองตีนึงมีตัวอย่างครับสันชาตก็วดเดชนะครบอกว่านี่เราเลือกในทํางานเนี้ยมันก็ไม่ทาอะไรบินเร่่่่่่่่่่่่่่่่่ั่่่่่่่่ี่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่ร่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องให้แต่มันไม่มีหน้าที่ให้พอเนี่ยอย่างนี้มันต่อยเยลำบากเราก็เป็นทุกข์นะถ้าความทุกข์อย่างนี้เกิดขึ้นจะทำยังไงเราก็ต้องนึกว่าเรื่องธรรมดามันเป็นอย่างนี้เนี่ยลูกมันเป็นอย่างเนี้ยลองไปคุยกันไห ม, มเอมเอเดินที่คนที่คนนะบางทีก็จะคล้ายๆกันมีคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนทุกครอบครัวนะบางครอบครัวลูกเขาดีเรียบร้อยรักพ่อรักแม่ เห็น อ, อกเห็นใจแต่บางครอบครัวนั้นไม่มีอย่างนั้นเลยไม่ไม่มีน้ำใจคล้ายๆกับบิน ญ, ญาณอะไรมาเกิดอย่างนั้นแหละมันไม่มีความรู้สึกนึกคิในทางที่ถูกที่ชอบ อ, อย่างนี้ก็ลำบากเดือดร้อนวุ่นวายไม่ใจน้อยปัญหามันมีอยู่นอกจากนั้นแล้วนึกว่าเรียนต่อไปอีกหลายแายม่หนามึงถ้าเรานี่เรียกว่าเป็นคล้ายๆกับี่ระบาย คนก็มาระบายให้คลังไว้ย่างนั่นเพิทุกอย่างนี่เป็นทุกดีโยมาระบายให้อาบมาคลางบ่อยๆดีทําให้เห็นทุกเนื้อขึ้นเพิ่เรื่องความทุกข์ขึ้นโยนยากไปคุยกับพระเรื่องสบายไม่ได้ทําให้พระโมลีนไปหมีอนทาอยู่บ้านสบายเลยก็ทุกจะทุกจะหาใช่ไหมบอกว่ามีเรื่องสบายอย่างนี้โยมาคุยโยนี่ขากไว้ด้วยโยมาคุยกับพระต้องคุยเรื่องทุกข์เท่านั้นลำบากเดือดร้อน ามมาการจำฮะกินก็ลาบากอะไรอะไรก็สุดขัดอย่างนี้นะไอช่างจะมองเห็นอ่ะอ๋มันเป็นทุกข์อยู่วัดไม่ดีแล้วอะไรไม่องบมากนะแม่เนี่ยออกเลยนี่สังตุสงกเย่ยขึ้นใจบางคนเสรไปแล้วตรงนนะมาบอกเพื่อนจะมาจับแขนพราที่จะบอกแม่ถ้ารู้อย่ า, นนยายงนีไ้ไม่ออกเลยออกไปแล้ ว, ห ว, หวเหน่ยหงุาว ทำไมไม่รู้เสียมั้งพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่ามันเป็นทุกข์เราไม่พิจรารณามองไม่เห็นทุกข์แล้วมันเดือดร้อนนะญาติโยมอยู่บ้านก็เหมือนกันแหละถ้ามองเห็นความทุกข์แล้วมันไม่เดือดร้อนเช่นเรามองเห็นความทุกข์เราก็ไม่ตื่นตื่นรายในการจับจ่ายเงินทองไม่พูนเคยไม่เที่ยวไม่เกื่อก็เห็นว่าทุกข์มันรออยู่ข้างหน้าข้างหน้านี้ของมันจะเพงขึ้นไปอีกมีน้าเพิ่มใหญ่ ปันธัญญาหารก็คงทาไม่ได้ของมันต้องเพงเรามองเห็นทฤกษ์จะอยู่ข้างหน้าเราจะอยากอดอมไม่เที่ยวไม่เตี๋ยวไม่กินอย่างเพลินเพย์จะได้ที่ออ จ, จักเก็บหอมยอมรื้อไว้อย่างนี้ก็เห็นทฤกษ์ในเรื่องเศรษฐกิจ เ, เ, เ, เห็นทุกษ์ในความเจ็บไข้ได้เปรีย ว, ด เ, ดยวเราก็รู้จักรักษาเนื้อรักษาตัวเรายังการกินการอยู่การหลับการนอน อะไรเป็นรูกเราก็ไม่กิน้าไป่ไม่ไปเที่ยวในที่มันสกปรบบกลุกมีรเราวินวังนั่มคาที่ไหนเราไม่เข้าไปรูกมันจะติดตัวตายจะสูด ก, ก็ไปทางลมหายใจเสร็จแล้วไม่ไปดูหนังเพราะในโรงหนัง น, นี่อากาศไม่ดีคนมันเยอะหายใจออกแล้วมันหมอกไม่หมดมีลูกใกล้ๆกันเราไม่ไปเพราะเรามาเห็นชุดของพี่ลูกไปไข่เจ็บเราก็ประหยัดยับยับยบย้ง ไม่เที่ยวไม่ตื่นหรืเราเห็นทุกจากการถูกครอบงำด้วยกิเลสถ้าลือกครอบงำใจเกิดกอบงำใจความหลงครอบงำจิตใจเกิดความทุกข์เราก็คอยระวังไม่ให้เกิดความลืกขึ้นในใจไม่ให้เกิดความเกิดไม่ให้เกิดความหลงมีสติมีปัญญาควบคุมตัวเองไว้อยู่คนเดียวทุกข์ไม่น้อยถ้าอยู่หลายคนเอาทุกข์มากขึ้นก็ต้องพูดจาทําความเข้าใจกัน อย่าเอาโมโหโศกโศอย่าปั้นหนายักหน้ามานเข้าใส่กันมันเป็นพุทธพูดกันดีๆเวลาไหนอารมณ์ไม่ดีก็ ห, หันหน้าไปหาพระพุทธรูปนั่งว่ายสวดมนต์เยอะอารมณ์เย็นแล้วมาพูดกันใหม่อ น, นี้เรียกว่าเห็นพุทธจะมันเกลได้แต่ถ้ามองไม่เห็นแล้วหาเรื่องไปจะให้เกิดความพุกทธตลอดเวลาพูดไม่เรียบร้อยไม่ก้าวหน้าเป็นปัญหาอย่างนี้ อยติโยมจึงควรจะได้นำไปพิจารณาในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างจิตใจให้สงบไม่ิุนหวายแล้วก็จะมีความสุขใจสมความปรารถนาาดังที่กล่าวมาก็พอสมควรแก่เวลาแล้วตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลาห้านาทีการ น, นั่งสงบใจมเป็นการฝึกสติให้ควบคุมตัวเองได้ เรากำหนดลมหายใจเข้ายาวกำหนดรู้หายใจออกคอยกำหนดรู้อย่าให้ไปคิดเรื่องเอนให้คิดอยู่แต่ที่ลมเข้าลมออกห้านัด